เราสีนกพุทธา horn ขึ้นทั้งนักทั้งงอ้งงมไม่ชิดตอบได้ทั้งคำไม่ชิตอบได้ไม่ชิดออกคมเห็นได้สําหรับเจ้าของนี่ไม่เห็นลงดิ้งอันนึงแล้วเจ้าของขี่เบาะที่หลังมูขี่ตอบที่หลังมูใส่มูอุปกรอน ้โยมขอไปฝากฝ่นนายนี่ชนะข้าน่วมขอเป็นผู้ฝากมั น, น, นมเส้นขันน่วมก่อนเมื่อเส้นโยมขอกับเบิดก็ได้ เส้นจำนวนไปที่นี่โย ม, าย ม, ายมาย่าโยม่าโยมกอตายอันนี <c oughs> สสสรร้สูงสิมีสิทธ์บ่สูงสิมีสิทธ์ไปเบิกไดบ่หรือมีสิทธ์จะโยมขอเบิกไดผู้เดียวอ๋อตอมาพระอาศัยรักพระเวไนยพระองค์เก่านึ่พระตอบมังนูปริญญาตอบปริญญา พระกอร์ตายแล้วพระกอร์เดี๋ยวข้านีสิบอัให้ส่วนคิดอีกหนึ่งขานี่พไปแมของพระของพระพิุสสงของพระพิษุของพระกอร์เมื่อพระกอร์าอตายแล้วบาทจีบอนตลอดถึงบริขานแปด เป็นของสงถึงจะทําพิไรกรรมหรือไม่ทําพิไรกรรมก็ตามภายในของพระขาดตัวนี่ไม่มีคสารุทอนต้องเป็นของสงฆ์จะทําทพิไรกรรมหรือไม่แทาพิไรกรรมไม่เป็นปัญหาถ้าหากว่าทําพิไรกรรมให้พระกอ่อให้ยอมกอ่อถ้ายอมก่อเอาไป แต่ก่อนที่พระยังไม you. You ่ละนัมรณภาพก็เป็นการแล้วไปถ้าว่ามรณะภาพแล้วขาดศิษก็ต้องตกเป็นข้งวสงฆ์เป็นข้าวฟองกันไล่หนึงเลยอยู่ในวัดอุดรชิปหายอ่อนให้อ่อนหน้าแม่นน่งเลนแม่นบอกเออ่าที่นี่เรื่องการเรื่องฝากประเทศต่างปีที่ผ่น ถ้าบัญชีนั้นระ บ, บุว่าเป็นเงินสงฆผู้ถือบัญชีนั้นได้ร่วมได้ร่วมไปแล้วสงฆ์ก็กรรมีสิทธิ์ทำการขึ้นมาเบิกเบิกได้ได้เพราะว่าในบัญชีนั้นได้ระบุว่าเป็นเงินของวัดแต่พระกอพระขอมีสิทธ์เบิ ก, กได้ตามอำนาจผู้ถือบัญชถีถ้าพระกอพระขอนนั้ได้อำนะาจภาคไปแล้ว ถ้ากล่วาวเข้าสู่วงใหม่ก็ขึ้นมาเข้าบัญชีเป็นรายชืย่อของบัญชีแายได้ถ้าว่าไม่ระบุเป็นเงินสงฆ์ถึงถ้าไม่ระบุว่าเป็นเงินสงฆ์นั้น <c oughs> ก็ก็เป็นขายไดเป็นญาติของ <c oughs> ของเขาขายาด้ <c oughs> ของของสงฆ์หรืออั น, นอันนั้นเป็นบัญชีส่วนบคุคคลถ้าไม่ระบุว่าเป็นเงินของวัด น, นั้นจะเป็นจะต้องเป็นบัญชีส่วนบคุคคล ไม่จะเป็นมืชีพการเป็นมือชีพของผู้เขาไปฝากทีนี้ส่วนพ่อแม่ของพระอเมื่อตายแล้วเป็นของสองฆ์ก็เป็นวะค้าไปานั่นหรือส่วนพ่อแม่ของพระขาตวนมันไม่มีสารอุทธรณ์ทีนี้มันมีคดีอยู่เรื่องหนึ่งที่ในเมืองอุดรที่ในเมืองอุดร หลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพ่อมีเงินมากแล้วก็ผมจะเอาไปฝากคลังให้เขาไปฝากคลังเขาก็ลงในนามของเขาเลยใช่คนะ <c oughs> รับ น, นี่เป็นบัญชีส่วนบุคคลเป็นบัญช <c oughs> ีส่วนบุคคลนี่เป็นบัญชีส่วนบุคคลเขาลงในนามของเขาในในเพลงพระดีวิเศษออืเขาหาบใส่กระตาตะก้าไปอเขาหาบใส่ เขาเอาเอามะม่วพ่อข้างบนที่นี่ก็่อโยอายู่มายโยมายมายมาพระองค์นั้ออ น, นเป็นเงินสองพันสี่ร้อยบาทแต่เป็นเงินเหรียญกฎหมายจากพวกนั้นคงยังยคงไว้แล้วล่างไปไหนทุกวันนี้คงยังตามเดิมหรือเขาดัดแปลงก็ไม่ทราบเราไม่ทราบได้พระสมัยรัชกาลที่เจ็ด เงินหลวงพ่อเอาไปฝากแต่ทานใช่ไหมเขาเอาไปฝากเขาเขามาหลอกเอาไปฝากโอ้ oh, เขาเอาไปฝากนี้ก็เป็นสิทของเขาหรือไม่ใชี้ถูกเหลือมันยังพูดยังไม่สุดที <c oughs> นี้นี่เล่าให้ให้ฟังได้เฉยเพื่อเทียบเทียงในปัจจุบันนี่เราก็อยู่มาอยู่มาอยู่มาอยู่มาท่านก็มาถ่ายทอดเลย ท่านก็มาถ่ายท้องกูจะถ่ายท้องวันนี้ถ้าท้องกูมันไม่ดีมาหลายแล้วอายุแปดสิบท่านบวชมาเจ็ดสิบห้าพรรษาแล้วเจสี่พรรษากูจะมาถ่ายท้องกูจะถ่ายท้องวันนี้ถ้าถ้ายอย่างนั้นก็พี่ชายผมจะเอายามาถ่ายให้ที่ไรฮ้องแกเพราะเอายามาถ่ายแล้วเลยถ่าย เลยตะลอดซะร่วงไปเลยร่วงไปเลยตายไปเลยนี่พอตายไปแล้วพอตายไปแล้วก็เขาก็ไม่มันรับว่าไม่รู้ไม่เห็นเลยเงินจำนวนน่้สองพันสี่รบาทเงินเหพลล่อนไม่สิ้นอยเลยใช่หมไม่ไม่เห็น ตาเ น, น, นี่ยนะตเนียเนี่นย<อ>นาเห็นสองร้อยกได้บ่เห็นฮะนีะ่กได้บ่เห็นเล้บ่เห็นเลเขาได้เอาพี่นดยกรรมออกมากออกอ้างวาเงินสองรอยบาทเฮ้ยเอาบัตรซะม า, าั่นี่พี่นายพี่ยกรรมอันจกลงได้ได้แต่อันพี่นายกรรม ร่องได้จะอันพีนรร่ไ้คำอันนี้ส่วนเงินสองพันสนี่ร้อยเรื่าเาห็นท่านแกขับปฏิเสธ ร, ระเะบรี ย, ย์ออกไปแะปฏิเสธระเบ่ีย์ออกไปเขาเลยขายสองของสู่ค่วมนันขายของสู่ขวมขายขายของวัดสู่ขวม ข, ข้้ ทางวัดมีพย า, ยารนรู้เห็นมีพยานรู้เห็นทราบกับใช่ไหมมีพยานรู้เห็นมีพยานรู้เห็นว่าพ้นปัวมาหลายได้ยินท่านบ่นอยู่ว่าเงินก็บักเพลงพทีพิษทั้งดีพิเศษโยงอุกกาตากับเอาไปฝากให้มันเอาไปฝากไม่รู้ว่ามันไปฝากยังไงไม่ทราบเราไม่เห็นใบาฝากเลยเชิญมาเราไม่เห็นใบาฝากเลย ทำมาเมื่อวานบอได้ฝากบออย่างบอบอไม่บเห็นบอเห็นในเวลาสู่พ่วมพันนเวลาสู่พวงคันมันก็ไปเบิกมากพันมันก็ไปว่างมากมากก็เลยมัดเงินจุบบอย่างันเลยวัดเลยบอย่างพันส่วนธนาคารเลยบ่ไปซ้ำพันว่าหน้าเพียงพังดีวิเศษเอาเงินมาบุมาบวกนีบอสก็เลยบริารเนี่ยสารเลยทรงสารสูงพันเออทรงสารส่วเอกสาร พักพิสูจน์หนบวดนานาพักพิสูจน์รบวดนานและเป็นผู้มีลาภมียศพอสมควรด้วยเงินอุปชาด้วยและมีลาภมียศพอสมควรด้วยมีผู้นับถือหรือดีพอสมควรพอที่จะมีเงินเหลืออยู่ขนาดสองพันสี่ร้อยบาทจะแล้วเมื่อเป็นดังนี้ขอให้นายเพ็งพักดีพิเศษเอาเงินมาใช้สงเพราะเงินนี้เจ้าของตายแล้วกันต้องเป็นของสงนายเป็นพักดีนิเศษนั้นมีสิทธิ เอาตามข้อในของพระภายในสิห้าวันเนอะถ้าไม่มาภายในสิบ้าวันไม่มีจะถูกริบคนเนี่ยคนไนนม้แพงแกก็ะู้ใส่เอาแพงแล้ววะ่านแพงก็พงแพงวะ่านทั้งนี้ทั้งกระชาต้นเขาก็เอาตู้บ้านนี่รกล่องกับหน้ากับแม่ของหน้านั่นสมมีิขายสี่แสนมูลบุญผู้สื่อเลยบุญผู้ขายมานิดหน้าสมมติแต่ไม่นั่นก็ ม, ม, นนมาคิดไงเงิน ค่าสองพันสี่ร้อยบาทกัเพื่อนสองหลังสี่บาทอีกหน้าวัดอดรอดสมัยสมัยใชวัคกีนหมายเป็นยังไงโมฮุจ่กกาพันหรือเปลี่ยนแปลงแล้วไหมคับมีพยานรู้เห็นครับเออ ม, มีพยานรู้เห็นการการฝากการเอาไปฝากเออมีพยานรู้เห็นการมีฝยกทีอมันเกี่ยวกับลักษณะพยานรู้ เ, เออจะมีพยานรู้เห็นเนี่ในคดีนี้การให้เงินไป อืมเขาต้องปั้จ น, นจริงะเพราะบางคนจริงหนีคนจริงไม่ได้ถูกทำมุ่งเป็นจริงสัจธรรมมุ่งเป็นจมีนุญทีนี้นสารดูสืบสื่ยานโจนะุดการให้เงินให้เงินให้หนายแพงนี้ไปมนะีผู้รู้เห็นกนนารยังนี่สือขยานจิต พยานลองมาก็คือพยานที่หลวงพ่อบอกเล่า ว, ว่าเอาเองินให้แต่เพียงนี้ไปครับนี่คือพยานขั้นที่สองแต่ว่าขั้นที่สองแต่ว่ามันเป็นพยานตัวที่หนึ่งเนื้อนี่ยเพราะจะของของท่านท่านเป็นพระด้วยกพยนนย็พยานเลยครันนบมันมีนิพยานอะไรอันนี้วันใดๆมันวนกันมัดเนี่ย คัน<ม><ม>่า<ม>เป็นท่าไหร่ดิลำบากพอโมนครับคือสมนักนี้มันเร้ยกฎหมายมากกว่าเอ๊ะมันเลียกฎหมายยงมันแก้ไขกัเรือ่งองครับแต่บัญชีนั้นจะต้องระบุว่าเป็นเงินสดจะให้ในกรณีความเป็นฝ่งเป็นผู้มีอำนาจไปเบิกินตามบัญชีนี้แต่สุิว่า อ่าวัดทูจะต้อนเนี่ยก็ระบุเป็นเงินสงฆ์แต่ให้ในกรนี้เป็นผู้ไปเบิกเงินจะให้ดีก็ต้องมีว่อเป็นผู้เซนใไป่ๆนั่นเอสังใจถ้าไม่ระบบเป็นเงินเงินสงฆ์เถอะมันจะเป็นปัญหานะถ้าไม่ระบุเป็นเงินสงฆ์นี้จะมันจะต้องเป็นนิติบอคคลถ้าเป็น ถ้าเป็นของหลวงพ่อเขาก็เอาไม่ได้พ่อหลวงพ่อเป็นสงฆ์จะเป็นหลวงพ่อเป็นเป็นสงฆ์พระหลวงพ่อเป็นสงฆ์เขาเอาไม่ได้จะไม่ระบุว่าเป็นของสงฆ์มันก็เป็นของสงฆ์อยู่ในตัวแล้วถูกมไหมหลวงพ่อเป็นเป็นพระเนี่ยถ้าไมระบุเป็นเงินสงฆ์มันก็เป็นของสงฆ์อยู่ในตัวเลยถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีญาติถูกไม่จําเป็นจะต้องระบุเป็นของสงฆ์ครับครับเดินเที่ยวก่อน นอกแกว่าจะเป็นชื่อคนอื่นถ้าชื่อคนอื่นแล้วก็เป็นคนอื่นนอกแกว่าหลวงพ่อนั่นจะเวทเพี้วลา่าสิขาแล้วก็ไปเอากันจํานวนนี้ไปคนเดียวเท่านั้นมีก็มนนีนี่ประตูเดียวเท่านั้นประตูเดียวเท่นประตูอื่นไม่มีส่วนลูกหลานเหลียญลูกหลานเหลียญจะมารับมรดกไม่ได้ไม่ออืไม่มีนี่ประตูเดียวเท่านี้ไม่มีอย่างทีนี้เงินจํานวนนั้นก็เป็นเงินส่ว เรื่องทรัพย์สินภายนอกมันลาบากมันกัเขียนไว้รอบพรเหมือนกันคระวิญัยของพระเขาเีในมีได้มุกเริสองมีในมุกเริมสองมีอของสงของเกดีของบุคคลของสงของเกดีของบุคคล ของสงคารุพันธ์แบ่งเป็นสองอย่างคารุพันธ์หนึ่งและหัวพันธ์หนึ่งคารพันธ์แจกกันไม่ได้แจกเป็นของบุคคลไม่ได้เช่นเงินมาในกระถินจะแจกกันไม่ได้เช่นเงินทํามาก่อสร้างจะแจกเป็นของบุคคลไม่ได้ต้องถ้าจะแจกก็เป็นเป็นฐานยืมเมื่อได้มาก็เอามายัดไว้พราะเขาสร้างศาลาเนี่ยมันเป็นคารุพันธ์ เขาน่ามาไถ่ศาลาจะไปแกกให้บุคคลมันก็ไม่ถูกทุกวันนี่ราเบิเงินส่วนตัวให้หมู่ทุกวันนี่แบกส่วนตัวเงินให้หมู่คือแบกยังไงนี่ถวายหลวงพ่อเรียกแต่หลวงพ่อจะทำสิ่งไหนที่เขาถวายบอกว่าอันนี้ค่าซาลาอันนี้ค่าปูน อันนี้ค่าอันนั้นอันนี้หลวงพ่อเอาไปใช่ไม่ได้หลวงพ่อจะใช้ให้หมูใช้ทุกวันนี่ก็าใช้ได้แต่เฉพาะว่านี่ถวายหลวงพ่อเป็นส่วนตัวแล้ว่จะหลวงพ่อจะใช้อันนี้ให้หมูไปเป็นค่ารถค่าเรือหรือค่าอันน น, อนนี้ได้หลวงูมีเพื่อนในเชตราวัดค้องายอันเดีย <c oughs> บางทีเขาลุกปัน่นก็ได้แก่แค่วัดนั้นวัดนี้ว่าเรายอมแสดงอาบัติตุนนจัยเอา แกของขลุพันธ์ให้วัดอื่นเกินอาบัตทุนรับใจท่นพูดอย่างนั้นบางทีเราให้วัดอื่นมันไม่มีแล้วก็โซเป็นโซตายแสดงอบัตทุนรับใจเออกอย่างนี้ก็มีแต่ว่าเราจะทําเรื่อยไม่ได้อบัตทุนรับใจมันเป็นบาปมันกัมโตกันรกเ น, น้อในเรื่องนี้มันสําคัญที่นี่ของสงของเกดี ของเคดีเช่นเขาน้อมมาเคดีนี่เราตบน้อมไปเดเกดีอื่นก็เป็นอาวัตทุกน่ฎเขาจะถวายสงเรามาน้อมมาเป็นของตนเราน้อมมาเป็นของตนคนเดียวเป็นอาวัตเป็นอาวัตนี้สือหนา้ามัดเป็นของบุคคลเป็นอาวัตทุกกฎนี่ภายในมีอยู่เป็นหน้าที่ของโยมและพระเจะรู้ทั้งนั้ น, นอันนี้ <c oughs> ของเกดีหนึ่ง เอาไปบูชาเจดีหนึ่งเป็นอาบัตทุกกฎถ้าว่าน้อมออกมาเป็นของส่วนตัวทีนี่น้อมออมามาเป็นของส่วนตัวก็ปรับอาบัตตามราคาของเส้นเทียดนึงสิเขาเอามาไตา้เขามุงว่าจะให้ไตบ่บบราณว่าคตรทะลุ เขาออกมาไต่เดินจงกรมจุกต้องสิว่าถึกต้องน้อมบูษราพระพุทธเจ้ามันยังถึกเพราะบูษราพระพุทธเจ้าบูษาบูษราใดกระไรเด้มหาเจ็บสิมีพระพุทธลูกเด้เห็นยังของเขาเอามาบูษรายังทานพน้มมึงสิเฮาที่เอาไปซื้อรถสวดตัวเฮาบรรดาอะไรเป็นอาวัตปัญศิกตายเว้นไว่ไ้แต่แต่ฐานยืมว่าวันเ เอาหน่อยาะเขาค่ายวาายเป็นตัวด้วยขอมุนคผมจับสขอร์กลาบมาสุาาดารวมใหญ่ในใขอวัตถุในอาลาร์เป็นจกจ่ายไปบันอี่ไม่ได้าจกจ่ายไปได้แต่ละห0 0นครุพันแจกไม่ได้ใครแกกเเป็นอ้บัตทุนรัจ่ายครุพันก็หมายว่า เครื่องก่อสร้างประจัดเป็นคลุกพันธ์ที่ก่อขึ้นแล้วใช่ไหมลูกพ่อหรือยังไม่ได้ก่อหรือเป็นวัตถุอยู่ที่มันมีแล้วที่มันมีแล้วสมมุติว่าเอา้าเราจะเอาเงินก้อนนี้แหละไปซื้อของคลุกพันธ์ให้ให้วัดอื่นอย่างนี้ของอันนั้นต้องเปนของส่วนตัวบ้างเงินก็ ต้องเป็นของบุคคลอื่นที่ยอมให้กันถ้าเป็นเงินสงมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าเป็นเงินสงถ้าเป็นเงินสงฆ์ไม่ได้ต้องต้องทางนั้นต้องใช้แทน ถ, ถ้าเป็นเงินสงแล้วอจะต้องแจ้งสงส์ราบก่อนแจ้สงสงฆ์ทราบอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ผิดปริญญชิค้คือให้คนเดียวคือการไปการลักเธอานั้ถ้าทําไม่มีเจตนาลักไม่ไม่มีเจตนาลักมันก็ไม่ใช่ครับการลักมันขึ้นอยู่กับเจตนาคือวาคือไม่ให้ผู้อื่นเห็นเท่าั้นเอง ก็ให้ผู้อื่นรู้จักด้วยคน้ผู้ผู้อื่นไม่เห็นมันไม่มีดอกก็ก็ไปใข้มันก็ต้องเห็นมมัันนถือไปมันมันก็ต้องเห็นถ้ามีเรื่องรักเรื่องเป็นอวัตประชิตมันจะขึ้นขึ้นอยู่กับเกตยรตินะผมผมจะจอดชาวบ้านที่จอนั่นถูกหราเออพวกเราเออเขาถามคุณว่า ว่า่อยู่ใ น, นลักษณะลูกพอที่ลูก่อได้กรนจายไดระสบการณกนต่อสถาบัานวัตถุใดเงเดอลงกพ่อที่เกิดในเขตอารามนมาั่นคืิต้นทุนเงินสน า, าแล้วเปิดงทุกข์จะเป็นการก่อให้เกิดก็ดีเป็นการเรกิดเองไม่ดี ต่ จ, จับจ่ายให้ทายาททางใน น, นั้นจะต้องแจ้งกระทรวงทรัพย์ก่อนคือ น, นารัฐสพนวิฉะ่นนั้นผิดในขออน้ออื่นนะคือตอบคือตอบกันวจเต่อคือไม่มีเนี่ยคือใชาา่ก็ถูกอยู่ทีนี้คารวะใดที่จะลาจากรารวะไปเข้าโาชันนั้นจะต้องสะอะอากอนนั้นให้แก่คารวยนั้น ถ้าพิสูรรูปใดที่อยู่ที่มีชื่อว่าอยู่ในความจำจะลาเพศสิทธาบดไปเป็นพระบาทนั้นจะต้องคืนอาพรนั้นให้ แ, แก่สงจะติดตัวไปไหมครับรู้จักไม่ได้มันถูกเจ้าของตายเจ้าของไปเข้าเดียร์ถีเจ้าของราสิขาของต้องเป็นของสงต้องของต้องเป็นของสงที่นี่ของเป็นของสงหนึ่งในขั้นพุทธการกระเพาะสงเป็นผู้หาบริหารให้ เป็นหน้าที่ของสงหาผู้มหาบริการให้เช่นราชาพาหมณ์อย่างนี้เขาภาษาทีบุษ tha ห, หาบาทหาจีวันหาอะไรให้แต่ทุกวันนี้พิรามานาปู้ญาตาิทวดของเขาถ้าเขาไม่ยอมให้เป็นของสงเราจะไปอองเขาเราก็จะเป็นปา ร, ราชิกอีกเหมือนกันถ้าเขาปล่อยไปบ้านของเขาก็แล้วแต่เขาอันนี้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของยาติเหมือ น, นอันอันส่วนที่เขามาบวชอันนี้ส่วนที่มันมาได้อยู่กับวัดนี่ มาได้อยู่กับวัดเกิดใหม่เป็นสินสมสร้างกับพระที่แท้เจ้าของตายมันตรงเป็นของสงอันนี้เ ป, นเป็นสิ่งเจ้าของตายต้องเป็นของสงอันนี้ส่วนสิ่งสู่ของเขาเขาเอามาจากบ้านเขาละเขามาได้ให้พระพิ่สู่สงฆ์ยากเขาให้สงฆ์สงฆ์ก็ได้เขามาให้เขาเออกไปสงฆ์ก็ไม่มีเสียงเพราะสงฆ์ไม่ได้แต่งให้เขาอันนี้แต่เราก็ไม่ได้เอาสักทีหรอกเราลาซื้อขาแล้วเรา ให้เขามดเขาเราไปนมหาลัยไม่ได้ออกไปเลยในพัวข้อเหตุตกานี์มันเกิดอะไรผมยกีนเอนะอมันเกิดเรื่องอะไรเรื่องเรื่องกระินเรื่องกอ่ากะถินเนี่ยเมื่อสวายแล้วเป็นของท้าผมาาก็เห็นน่อผมอก็เลยตอบโยมว่าอ่าผู้ การรับกระถิงนั้นเป็นจากเป็นบัต ร, รสูตรใดนั้นเป็นอำนาจของคณะสงฆ์ไปรชุมกันถึงสผู้รับมีสิทธิ์ในกระถุนั้นแต่จะจับจ่ายไปทางใดนั้นจะต้องแจ้งให้สงฆ์ทราบก่อนจับจ่ายให้ทาตนต่อนั้ น, นจะจริงหมือไม่จริงเป็นม่ทราบวันนี้ผมเตรียมตอบองเพาผมไม่มีมาไม่มียื่นาง ถ้าญาติโยมทหลานจากนั้ินิจจริงจะต้องไปศึกษาอีกครัองนี่ตอบนี่ก็พอนลอดแต่ที่ประธานมาเรียต่อทีนี้อันนี้เราเคยศึกษาหลวปู่มหาหลวปู่าหาว่าตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมของพประพฤติตามธรรมเนียมของ สมัยปัจจุบันเงินที่มาในเงินที่มาในกองสงเงนินเงินที่มาในสงก็ดีของบริคฐานนะครูวงก็ดีทีแรกมันมาเป็นของสงหลวงปู่มหาพุณทีแรกมันมาเป็นของสงเมื่อสงอพุโรกแล้วเห็นทุกคนแก่ท่านชวนณาโชตเป็นผู้ อ, อ, อย่างนั่นอย่างนี้ในสงถ้าพิสู่น์องค์นายคัดข้อแล้วก็ขอให้โวยขึ้นมาถ้าไม่คัดข้อก็อาศสาทุ ก, การก็พวกนั่นก็ไม่คัดข้อสาศุ ก, การมาทีแรกมันเป็นของสงส่วนผ้าสำหรับจะตรายนั่นจะทาจะทำการกระถินเป็นของสงไหมสง เป็นของสงฆรเป็นของบุคคลสงสมมติให้ก็เป็นของบุคคลเพราะนั่นพระคอเป็นผู้คลองแต่ว่าอันนี้สมกฐินที่มันขาดนี่คนไหนทําคนนั่นจึงขา ด, ดหรือหรือคนหนึ่งทําขาดแล้วก็ต้องขาดมดวัดแต่ขาดเฉพาะตัวอของค อ, ง ข, องของมันแต่ธรรมเนียมภิกษุผ้าบริขารก็ดีผ้าอันหดก็ดีถึงแม้เขาจะถวายให้ก็าตาม เจ้าของก็มีสิทธิ์ตั้งแต่พื้นการกระถินเท่านั้นพื้นอื่นถ้ามันมีมากเขาต้องแก่กระท่าน้องอื่นตลอดถึงเงินทองทนี้เงินทองเงินทองถ้าเขามุ่งมาในกระถินนั้นเขาหวังจะก่อสร้างหรือเขาจะให้ธรรมดา ก็สังเกตญาตโยมพวกเขามุงมาอีกจึงจะปฏิบัตถิถูเป็นของสมจริงแต่ว่าอุปโลกให้พระกอแล้วเมื่อพระกอชี้โรกออกคนเดียวก็ไม่มีเสียงีน้แต่สมัยทุกวันนี้ไม่มีใครชี้โรกจริแล้วนี่ตามพ่ออย่างไรลพปูมหาเคยอธิบายแต่ลพปูมหาท่านก็ไม่เคยเอาอะไรหรอก แต่ท่านอธิบายอย่างนั้นสงเ์นี่ถ้าของเนี่ถ้าผมถ้าท้าผลเอาหมดกับฟ้องฟ้องสารไม่ขึ้นฟ้องพระมีนายไม่ขึ้นท่านพูดนะพระสงอุปโภกให้ผมแล้วท่พูดอย่างนั้นไม่ซ้อนคืนสงทั้งหลายอุปโภกให้แล้วทั้งสี่องค์แล้วท่พูดอย่างนั้นทีแรกก็มาในนามสงมาในนามสงก็เป็นของสงเต็มวุ่นวูนพอสงมาสวดแล้ว มาอุปโภคและก็มาสวดสมควรแก่ผูนน้นั้นผู้นี้สมควรแก่ผู้นันผู้นี้นะครับทั้งบริวารผ้ากฐินท า, านครับทั้งอเนสังสักบริวารทั้งปวงนี้ันพวกภาวนบ้านแต่ออกโลดบตัตรองของพระสารวลีสมควรแก่ท่างกอผู้เป็นอาธิบดีสงฆ์พระอารามนี้มีสติปัญญาสามารถอาจจะทํากฐินท า, านาระจิตให้สําเร็จตามพระบรมพุทธานุญาตญาตได้ผ้ากฐินท า, านครับทั้งอเนสังส์กบริวารทั้งปวงนี้นั้น เห็นสมวรแกท่านกอท่านขอท่านฟอท่านงอองค์นั้นเอาประโลหะแล้วมันก็หมดสิทธิ์อะถ้าพระผู้คีรุ่งออกไปคนเดียวมันก็มันมันก็ออกไปได้กระฟองมันเประวิชิตไม่ถูกหลวงปู่มหาเนี่ยแต่ว่าเรายังพิจารณาอันอื่นอยู่หลวงปู่มหาพูดแต่ว่าหลวงปู่มหาท่านไม่ไดเอ า, าสักทีหรอกท่านพูดเฉยแต่ว่าเราก็าไม่เอาสักทีหรอกแล้วก็พูดเฉย อันเป็นวัดไปเสียมันเข้าบ้านมืดเน่ะทั้งสะบัดแต่วัดป่าเนี่มันไม่เปลี่ยนหรอกในวต่างซีล่านฮาร่านก็ไม่เปลี่ยนหรอกที่ไปบอกยังดำในดำสนัดก็เปลี่ยนหรอกวัดป้าเนี่ยนั่นข้าเจ้าไม่รักอันนั่นแหละวะขาเจ้าไม่รักอันนั่นแหะเขา้าบ้านมดญาติกันเส้าระโมท่ว่าที่ว่าข้าเจ้าพีดว่าเราท่นขันันเราจังร้องปู่มหาเนี่มันก็พ่กพีด นี่หลวงปู่มหาวิปปุแต่ว่าเราอมสนิษแล้วโอ้ยมันกระโง้ามโพธเนาะมันก็งามโพดมันออให้กระโเอาอย่างนี้หลวพ่าจะซํานั่นแล้วมันหายไปขอสุตมดพ่มโลกมันย่อมโปออย่านีมีผู้มาหายของห้าวัดนี่ด้วยหายห้าเอาผู้ย่อมกระโปงอ๋อขึ้นันน่ะจักิบก็ต้องกันห้ากรบโอาในใจโลกธานะมันโม้นนี่ผู้เดียวสิเอาใดไปจับผีสิรักษาคุณหมดจัสิว่านั้นจะซํานั่นว่า แต่ไว้ผู้เอาดอกล่ะแต่หังนไฟกำมาทานบุมีไฟท่านละเอียดอาจเป็ี่ยนได้ไฟกำมาทานหลายสายลงผู้อ่นบุม้มีของสงของเกดีของบุคคลของสงมันมีซองหยาบคารุพันธ์และหัพันธ์และหัพันธ์เปนของควรแก่ สรุปพันไม่ควรแก่เนของบุคลคลกุฏิวิหารก็ไม่ควรแก่เนของบุคคลเป็นเพียงว่าแก่ให้สมทะนะ่าแก่พระผู้อยู่เท่านั้นจะเอาไปซื้อไปขายไม่ได้ต้นไม้ในวัดก็แก่กันไม่ได้จะแก่ผลกันได้คนนั้นเอาตอนนั้นคนนี้เอาต้นนี้ไม่ได้ทีนี้พระพิกชุตายมรดกพระพิกชุตาย บาทกีวอนควรให้แกชีลานุปถกผ้าเรียมโตฟันแกนขนุนได้จัดเป็นขลุพันให้ของสงจะแกใครคนไหนไม่ได้ถ้าใครอยากได้ก็ต้องเอาเงินส่วนตัวมาซื้อสองเอาอันนี้จำกัดนี่ได้เกินวันจึงแ ก, กของทีนี้ถ้าหากว่า มันมีผู้อุปถากมีโยมอุปถารมีโยมอุปถากก็ต้องให้เขาว่างผู้ซักภ้ชีที่เพะ่อเยีเ่ยว์ว่าไม่ไม่แต่เขาไม่เอาไม่ไม่แต่เขาไม่เกี่ยวแต่ทุกวันในหน้ามือเป็นล้างมือใชแล้วทุกวันห น, น้ามือเป็นล้างมือทุกวั น, นไม่ได้เอาแจกให้เขาไม่เอาเขาล้วงผูม้พันนิพานท่านก็แจกติ๊กให้สองอัน ติ๊กอันหนึ่งมไม่ใช่ทอาอันแล้วก็ย่ามอันหนึ่งอะไรอีกอันนึงมีสามอันแต่เราไม่กล้าเอาว่ารักว่าฉันถ้ามาเห็นเห็นมันย่ามไหนมามันจะคุดมันจะกุดชงเวทโพดไปสั่นเอาออใหางม่าท่านวาวท่านวามาให้ผมมาั่นปกปดึงไปดึงไปฟูอยู่ข้างหลังตกลงไปเล้ลบนสมดก ่ไม่เข้ามาอันนั้นหายมนเหลวเพเพื่อคนบริบูรณ์มนเหลวตั้งมตม่ตั้งมืออะไรผมเอายาลงมือคนบากมีใครเอาเจะกคนสุดแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านนี่ด็อกเตรอร์เศ้าไปเจอหาข้อมาไว้